ไม่มีทางตกตม่มมีความแนนอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่านาที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประนามโพรธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จะไม่เป็นพระโสดาบานันเพราะเจ้าสนานิสักยะ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 เจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานว่าโรกาดเจ้าสารณ า, านิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยาการเท้าเธอว่า เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่านาที่นั้นเจ้าสกยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประนามพลธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จะไม่เป็นพระโสดาบัน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 อุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานจะถึงความตกต่ำได้อย่างไรบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงอุบาสกนั้นได้ว่าเป็นพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง ก็พึงกล่าวถึงเจ้าสักยะพระนามว่าสารา น, านิว่าเป็นอุบาสกผู้ทรงถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานพระองค์จะถึงความตกต่มได้อย่างไรมหาบอพิษบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า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 ปัญญาเล่นไปและถึงพร้อมด้วยวิมุตตเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอัสะวะเพราะอัสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์ดิอรสชานภูมิแห่งเปรตอบายทุคติและวินิบาตสอง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 มีชวนะปัญญาแต่ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตเขาจึงเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตดิรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุขติและวินิบาต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 ไม่มีหาสัญญาไม่มีชวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตเขาจึงเป็นพระสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะบันเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้แม้บุคคล น, นี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน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 ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตเขาจึงเป็นพระโสดาบานันไม่มีทางตกตา ม, มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้า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 ไม่มีหาสัญญาไม่มีชวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือพระสัพทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญญินรีและธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมควรแก่การพิจารณาด้วยปัญญาโดยประมาณ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 ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตตแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินซีปัญญินซีและเขามีศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณในพระตถาคตแม้บุคคลเหล่านี้ก็ไม่ไปสู่นรกกําเนิดสัตดิรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุขติและ วินิบาตมหาบอพิษแม้หากต้นสาละใหญ่เหล่านี้พึงรู้จักคำสุภาษิตคำทุพภาษิตอาตามภาพก็จะพยากรณ์ต้นสาระใหญ่เหล่านี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโภสในวันข้างหน้าไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสารา น, านิสายะเลย พระเจ้าสารา น, านิสายะได้สมาทานสิกขาบทในเวลาจะสวรรคตรปัถมะสารา น, านิสักกะสูตรที่สี่จบ 5. ทุติยสารา น, านิสักกะสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่าสารา น, านิสูตรที่สองหนึ่งพันยอ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 ในวันข้างหน้าแต่เจ้าสารณ า, านิสักยะมิได้ทรงบำเพ็ญศิกขาให้บริบูรณ์ครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 แต่เจ้าสารา น, านิสักยะไม่ได้ทรงบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบอพิษอุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานจะถึงความตกตามได้อย่างไรบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงอุบาสกนั้นใดว่าเป็นพูดถึงพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงเจ้าสารณะนิสักยะว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดกาลนานพระองค์จะถึงความตกตาได้อย่างไรมหาบอพิตบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้มั่นคง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 แต่ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตตเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริทธนิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรฤธนิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้สังขาราปริธนิพพายี เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอากะนิทคามีแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาต 3. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมสายยิ่งในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น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 เพราะบันเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้บุคคล น, นี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัติรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาตสี่เป็นผู้มั่นคงเลื่อมสายยิ่งในพระพุทธเจ้าว่า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 ไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตติรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาตห้าเป็นผู้มั่นคงเลื่อมสายยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรม ในพระสงฆ์ไม่มีหาส ป, ปัญญาไม่มีชวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตตแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินรีปัญญิซีซีและธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศย่อมควรแก่การพิจารณาด้วยปัญญาโดยประมาณแม้บุคคล น, นี้ก็ไม่ไปสู่นรก กาเนิดสัตติรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุขติและวินิบาตหกเป็นผู้มั่นคงเลื่อมสายยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนาปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสั์ทินซี กันยินซีและเขามีศรัทธาพอประมาณมีความรักพอประมาณในพระตถาคตแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตดิรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาตมหาบ่อพิษเปรียบเหมือนานาไม่ดีพื้นดินเสียไม่ได้ถอนตอ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 มหาบอพิษเปรียบเหมือนนาดีพื้นดินดีถอนตอแล้วพืชก็ไม่หักไม่เน่าเสียไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารเก็บไว้ดีและฝนก็ตกลงมาดีพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามเติบโตได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาบอพิษ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 อาตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเฉพาะพืชดีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสารา น, านิสักยะเลยเพราะเจ้าสารา น, านิสักยะได้ทรงบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ในเวลาจะสวรรคตทุติยสารา น, านิสักกะสูตรที่หจบ